ยักษ์ขะใช่ั้มอ๋อก็เป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้ที่คือเป็นชื่อของความเป็นผู้กล้าเป็นผู้มีอำนาจนั่นะฮะอ๋อเอาเปิดไปหน้านี้ก่อนเอาฤกษ์ที่เจ็ดนะจะ ด, ดูกันให้ครบชู่จากคุมหันตสาสีมาโต สิกสะปีสะนมาทูสภพะูตานุกัมปิโนเวสะผูสะนมาทูนาฮาตะกาสาตะปาสิโนนมาทูกกุสันดาสะมารเซนปามาณีโน โกนาคามานะสนามัตโทปรมาณาสาวีมาโตกาสปาสนามัตโทเวปโมตัสสาวาบดีอังคีรัสสาวามัตโทสกัยาปตัสสิรีมาโต โยยมังดัมมะมะเทเสสีสับดุขคาปนูทะนังเยจาปิเนผูตาโลเกยถาภูตังวิปัสสูงเตชะนาอภิสุนามหันตาวิตาสารดา ยีตังเดวะมโนสาณังยังนามาสันติโคตมังวิจาจรณสามปันนังมหันตังวิตาสารดังวิจารณสามปันนังพุทธังวันดามาโคตมันตีเปิดไปหน้าสี่สิบห้า ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระวิปัสสพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาจากสูผู้ทรงสิริขอความนอมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระสิกขีพระพุทธเจ้าผู้ปกติอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวงขอความท้องของข้าพเจ้าจงมีแด่พระเวสสภูพระพุทธเจ้า ผู้มีกิเลสอันล้างแล้วผู้มีตาบะความนอบน้อมแก่ข้าพาเจ้าจองมีแด่พระโกนพระพระพุทธเจ้าผู้ย่มยีเสียซึ่งมารและเสนาขอหนอบน้อมของข้าพาเจ้าจองมีแด่พระโกนนะครับข้ า, ข า, าเจ้าผู้มีบาปอันลอยเสียแล้วผู้ทรงมีพรหมจรรย์อันอยู่จบแล้วขอหนอบน้อมของข้าพาเจ้า ยังมีแดดพระกัสปะพุทธเจ้าผู้พลและจากกิเลสทั้งปวงความนอบน้อมของข้าพเจ้าของมีแด่พระพุทธแห่งสักยาราชผู้มีผลิพาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดได้ทรงแสดงแล้วซึ่งธรรมนี้เป็นเครื่องบรรเทาเสียซึ่งทุก์ทั้งปวงอันหนึ่งแม้ชนเหล่าใด เพีนแจ้งตามทมจริงดาบกิเลสแล้วในโลกชนเหล่านั้นเทั้งรผู้ซึ่งเป็นโคตมโคตผู้เกื้อกูลแกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเจรณะทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ เป็นผู้ไม่ฆ่าพระเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระเจ้าพระผู้ทรงเป็นโคตามาโคผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยวิทธาและจรณะสาธุได้อย่างครบหรือย่างนะับอยู่ที่องค์ที่เจ็ดวิปัสสีสิกขีเวสภูกะกูสันทากอนาคมนะกัสปะอังคีรสาพระเจ้าองค์ปัจจุบันเจ็ดพอดีเลย เนื้อฤาษีที่ 7, เจ็ดก็คือเป็นผู้พ้นแล้วจากราคะโทสะโมหะนั่นเองคือว่าฤาษีนะสัพพัญยูฤาษีคือพระเจ้านั่นเองนะพระเจ้าเนี่ยองค์ที่เจ็ก็นับมาตั้งแต่พระวิปัสสีพทะเจ้ามาถึงองค์นี้ก็คือองค์ที่เจ็ดเอาไวส้สวด น, นอบน้อมบูชาขยายยังคีรษะก็ได้อังคีรษะก็ได้โคตมะก็ได้นะมีหลายชื่อมากพระเจ้าเนะื้อสัพพัญยูก็ได้ โลกวิทูพี่เห็นไหมนั่นเป็นชื่อพระพุทธเจ้าทั้งหมดนัน่ยสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูเป็นชื่อพระพุทธเจ้าหมดเลยไ ม, ไม่มีใครตั้งให้ได้จากการที่ได้บรรลุคุณธรรมพระเจ้าทุกองค์ก็มีชื่ออย่างนี้ได้หมดเลยนะไม่ชื่อเพราะชื่อนี้ใครก็เป็นได้ถ้าบําเพ็ญบา ร, รมีถึงต้องยำกาดเด็ดนะไม่ใช่ใครก็เป็นได้เราก็เป็นได้เดี๋ยุ่งไม่ใช่นะีย ขอให้บำเพ็ญบารมีถึงจะได้นามแบบนนะเข้าใจแล้วอ้าวเดี๋ยวไปอ้าวไปเดี๋ยวเราจะไปไหว้มกุศพันธนะเจดีย์สถานที่เผาพร ะ, ระมมบรมศพของพระศ า, าสดาเนี่ย